ออกมาเจ๋ว จ, จริงๆเลยนมันคนละกรรมแท้ๆใช่ไหมมันก็จัดสรรให้ไหมนี่คือสมุทรยห้ยสัจจะเป็นโรงงานผลิตทุกผลิตชิ้ น, นส่วนเก็บชิ้นส่วนของยยมนวนไว้เยอะในสังสารวัตนี่มากถ้าชิ้นส่วนนี้พังไม่ต้องกลัวจติเมื่อไรก็ให้ชิ้นส่วนใหม่ตัณหานี่ก็จะมาจัดสรรลงกับอุตลกรรมล่วงกับอุศลกรม ร, ร, กรมแล้วแต่ก็จะทันอะไรนะ แต่โดยมากเอาศุลรก ร, รมแทบทั้งนะั้นในอดีตนี่เนี่ยเอาสิแต่เนี่ยมารอเลยเพอใกล้จะตายขึ้นมาน่ยมาแล้วโรงงานใหญ่เบ้อเอรอนี่มาแล้วมาจัดสรรแล้วเสนอเลยอเสนอตาเสนอหูเฉพอะฉมูกมาให้เยอะไหมเหนียวแบบนี้ไหมล่ะแบบมีเขาก็ได้ไหให้มีมาหมดเพราะเราทํากรรมมาแทบทั้งนั้นเคยโกรธไหมล่ะโอ้โหเคยด้วย ยิ่งโกรธหนักกําก็หนักนะนบอกเอา้าต้องการอยากจะลองสุดเสียงได้จัดให้ได้นุ่นลองเอเวจีก็ได้เลยยิ่งขนาดเอเวจียัยงท่านจัดให้เนนั่นแหละคือบอกว่าเขาเรียกเป็นเจ้ากรมใหญ่ตั้นหานี่เป็นเจ้ากรมใหญ่เป็นตัวผลิตชิ้นส่วนให้จัดสรรให้จะเอาแบบมหาบุรุษก็ได้ ไมมหาบริษัทลักษณะสามุดสองอนุพยัญชนะประดับอีกแปดสิบได้ให้ได้เนี่ยใช่ไหมถึงบอกไงเนี่ยจะทำแบบไหนโรงงานเนี่ยโรงงา น, นโรง ง, งงานผลิตแต่นั่นแหละคือเขามอบทุกข์ให้ก็ <c oughs> <c oughs> เอาไปบริหารกัน <c oughs> บริหารก็คือเอาไปทำกำไ ร, ร ก, กันอีกอ่ะบกง ถ้าไม่ชอบใจก็ทำใหม่ทำ โ, โหน่ากลัจริงมองเห็นไหมเนี่ยถ้าอย่างนี้พเพียงพ อ, อยังที่จะเบื่อหนายเพียงพอไหมเพียงพอแล้วเนียเพียงพอแล้วที่ที่จะเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าจริงๆพระองค์กล่าวอย่างนี้แหละภาษาของท่านชัดเจนก็ภาษาต่อมา ภาษาอะไรมาก็เอ๊ทำยังไงให้ชัดเจนกันก็มามามาเปลี่ยนจานวนนิดหน่อยแต่ไม่ได้เปลี่ยนพุทธพจน์นะไม่ได้เปลี่ยนคากล่าวนี้ไม่ได้เปลี่ยนพุทธพจน์เป็นการชี้เห็นเพ่อจะเจาะข้อหาพระธรรมของพระเจ้าพระเจ้าบอกนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกก็คือนี้ไงนี้โรงงานผลิตทุกใช่ไหมเราได้เข้ามาเห็นไหมเนี่ยได้เข้ามาแล้วเห็นไหม น่ะข้าน่ะข้าอย่างที่บอกเมื่อวานนี้อนมาพูดไปอนาวก็สลดใจตนเองนะใช่ไหมตอนเนี้ยมันปีแล้นะโถเต็มไปหมดแล้วชาติที่ทุกข์ก็เบียดเบียนชราทุกข์ก็เบียดเบียนพญาที่ทุกข์ก็เบียดเบียนมรณะทุกข์ก็จ่อคิวโศกก็เบียดเบียนปริเทวะก็เบียดเบียนใช่ไหมสรุปก็คืออุบาทานขันห้าเนี่ยมันเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา มันปีได้นะโถอยู่ตลอดด้วยใช่ไหมแต่เราเห็นไหมล่ะมันแบบีมันแทรกซึมอยู่ทุกจุดอนุของร่างกายและของขันด้วยทั้งรูปธรรมและนม า, ามะธรรมน้อก็เบียดเบียนกันนะเข้านะเข้ามันก็เล่นกันเราใช่ไหมบางทีเล่นทั้งรูปะเรื่องทั้งนมามะขันไม่ได้มาเล่นรูปะขันเล่นรูปะขันอยู่มันเล่นเล่นไปเล่นมานะเข้านะเข้าก็ อินทรีย์ก็เริ่มเศร้าหมองกันเป็นแถวจากขุก็เศร้าหมองโสตะก็เศ้าหมองคาน่าชิวหาสรีลาก็โคง้งงอผิวหนังก็เหีเห่หหยวย่นใช่ไหมหน้าตาก็เริ่มหมุนหมองไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืยื่ อ, อน้าเข้าน้ะเข้าเป็นที่รังเกียจของหมูย่านมิตรนักเข้าอสมองก็เล็กลงเล็กลงฝ่อความคิดก็สั่นลงท่านลงเอาแล้วไปแล้วทีนี้แต่ก่อนเขารักมาก เป็นที่ตั้งของตัณหาของคนอื่นมาก็เยอะนะเข้าก็เป็นที่ตั้งของโทสะลำคาญหลงและตัเนี้ยเลยนะเขา ก, ก็ตายไปก็อยู่อย่างเงี้ยสังสารวัฏก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ลองนึกถึงสภาพของเราอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้าดูดิเราจะเห็นชัดเลยหน้าลังเกียจเนี่ยหน้ารังเกียจในที่นั้นคือหน้าลังเกียจบาป บาปประทับทั้งหลายกิเลส ท, ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในกระแสขันของสัตว์เนี่นะ่ารังเกียจตัวนั้นนี่ยสัตว์โลกก็ไม่รู้ไอ้ไหมบอกว่ า, วาอย่าไปรังเกียจกันนะถ้าจะรังเกียจให้รังเ ก, กียกกิเลสที่เกิดขึ้นในกระแสของแต่ละคนสิ่งเหล่านั้นควรละแต่ท่านเหล่านั้นไม่ละอ่ะไม่ใช่เขาไม่อยากละจริงไหมในขณะที่เราทุกข์ร้องทุกข์ทรมานอย่าเราอยากจะละความคิดนั้นไหม มันออกไม่ได้เหมือนคนบางคนเนี่ยอยากจะออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแทบแย่แต่เหตุปัจจัยมันยังไม่พอเมือ่อนามาเนี่ยถามว่าอยากอยากจะออกจากคุกเรือนนี้ไหมและไม่ต้องการจะเข้าโดดเข้าสวมคุกในเรือนใหม่ด้วยนี่ห้องขังนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอาตมาในปัจจุบันนภถ้าจุดติจิตเนี่ยอาตมาดับปุ๊บอาตมาก็ไปเตดคุกในเรือนใหม่อีก นั่นมายก็ออกจากวัตตะออกจากคุกไม่ได้เนี่ยไงทำไมออยากออกแล้วออกไม่ได้ปัใจจัยในการที่จะออกมันไม่พอเราต้องรู้ต้องรู้ตัวเองแค่ไม่ใ ช, ใช่ว่าเราสั่งสมแค่ไหนที่จะออกอะ่ะมันจะอยากอย่างเดียวได้ไงใช่ไหมปัจจัยคุณต้องพร้อมสึกขาสามบริบูรณ์หรือ ย, ยัง เรียนรู้เนี่ยนี่แหละเป็นปัจจัยแวดล้อมแกการที่จะไปกระตุ้นเตือนบารมีกระตุ้นเตือนโพธิปัจญาธรรมกระตุ้นเตือนศีลสมาธิปัญญาจะได้สมาทานต่อเนื่องตั้งใจบ่อยๆนั่นแหละทาไมาใช้สับปะตั้งใจบ่อยๆใช่ไหมตั้งใจบ่อยๆมันหลุดปุ๊บตั้งเดียวนั้นเลยหลุดตั้งใหม่หลุดแล้วตั้งใหม่เรื่องแข็งแรงใช่ไหมมันสิการบ่อยๆโยติโสมนาสิการบ่อยๆในข้าก็แข็งเลย ไม่มีอะไรทําไม่ได้ปราถนาอะไรก็ได้ทําไมจะไม่ได้จะไม่ได้องปราถนาดิแล้วตั้งว่าได้เนี่ยทุกวันลองคิดดูทีเนี่ยเราใกล้แล้วพอพิจารณาบอกเราใกล้แล้วปราถนาอะไรมันได้ขนาดเปรตปราถนาอยากจะพบพระพุทธเจ้าตั้งไม่รู้กี่พุทธันตอนี่คิดว่าพรุ่งนี้ได้สําเร็จเนี่พรุ่งนี้สําเร็จเนี่เท่มั้ย ฉะนั้นถ้าว่าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นจะเห็นการตัดสู้ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมอจรยบังอจรย์ยบยังว่าไงไม่รู้ช่วงช่วงห้าโมง่โอ้ยอาาร มานั่งฟังกันก่อนก็ได้ไม่รีบเนาะไม่รีบเออมานั่งฟังเด็เก้าอี้มีตั้งเก้าอี้ท่า ก, กฉะนั้นคำว่าสัมมาสัมพุทธโธดังที่ได้กล่าวตรงนี้ก็คือว่าสัพพัญญตยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนะ พระตถาคตนั้นทรงรู้ตารู้รูปทั้งหลายทั้งหมดชื่อว่านาวราัญญาญไม่มีอะไรขีดขวางแล้วก็รู้หูรู้เสียงกนะก็ไล่ไปตามลำดับนะตรงนี้ก็จริงๆก็สัพพัญญตยานก็ดีคำว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นก็ดีเนี่ยจริงๆกิจในการกระทำนั้นแทบจะไม่ต่างนะไม่ต่างกันแต่เรียกชื่ออีกอย่างนะ นะเรียกชื่ออีกอย่างเท่นั้นเองเพราะว่าในขณะที่รู้ใช่ไหมในขณะที่เข้าไปแทงตลอดยกตัวอย่างที่ว่ากล่าวคำว่าเมื่อวานเนี้ยที่พูดถึงในเรื่องของคำว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยที่บอกว่าอภินยายาธรรมคือธรรมที่พึงรู้ด้วยญาณอนวิเศษด้วยแกวิชาและวิมุตคือมรรคและผลแล้วก็รู้อริยสัจสใช่ และก็รู้ยายาธรรมดังที่ได้กล่าวแล้วก็ตัดสรุปปรินยยธรรมคือธรรมที่พึงรอบรู้ได้แก่ทุกขสัจ ต, ตัดสรุปปหาตประธรรมธรรมที่พึงรักก็ได้แก่สมุทยัยสัจจตัดสรุปสัชิกาตประธรรมคือธรรมที่พึงทําให้แจ้งได้แก่นิโรธาสัจจแล้วก็ตัดสรุปพาเวตประธรรมคือธรรมที่พึงเจริญก็ได้แก่มการคสัจส่วนในหนึ่งะที่มาขยายความกันก็คือในคัมภีวิสุทธิมรดีในคัมภีในชั้นของ เนี่ยในด้านของสารถาทีปนีดีกาพระวินัยก็ดีที่ท่านมาขยายขยายตามพุทธคุณคือในชั้นของดีกาก็มาขยายขยายจากอรตถกาในชั้นของว่ารัตถาท่านก็ขยายในเรื่องของจักขู่เป็นทุกขสัตว์นั่นแหละเพราะเป็นสิ่งที่มีชาติชราพยาธิเป็นธรรมดาคือคือในทุกจุดของอนูของร่างกายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผม ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกใช่ไหมหรือแม้ตัวจากขูปสตัตว์เนจากขูปสัตว์เป็นที่ตั้งของชาติททุกข์คือการเกิดขึ้นของจากขูปสัตว์ครั้งแรกนะในปฏิสนธิการหรือในประวัติการแล้วแต่สัตว์เนี่ยอันนั้นเป็นชาติไหมความแก่ง่อมของจากสุก็เป็นชรลาและจากสุมีโรคได้ไหมนั่นเป็นพยาธิไหมและความวลรณาการดับ ลงของจกกักขบปรสาทก็เป็นมรณะเป็นที่ตั้งของโสโกาภริเทวะทุกขโทมนะสาและอุปาญาตจริงจริงสรุปก็คือว่าทุกสิบสองกองใช่ไมสิบสารวมทั้งเป็นอุปาทานขันนั่นเองรูปูปาทานขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นคือรูปประขันใช่ไหมสรุปนี่เป็นเป็นทุกขสัตว ถ้าในลักษณะอย่างนี้แปลให้เห็นว่าเออเป็นที่ตั้งของชาติทุกชะาทุกมรณะทุก <annoyed? S 1> และดังที่ได้กล่าวว่าตาเนี่ยไม่ได้เป็นที่ตั้งของชาติทุกชะลาทุกมรณะทุกของท่านพูดนั้นเ <neighbourhood. S 1> องเท่านั้นยันเป็นที่ตั้งแห่งชาติทุกข์ชะลาทุกขมรณะทุกข์เป็นต้นของของบุคคลอื่นด้วย <weaknesses> noticeable noticeable> นั่งบนเก้าอี้ได้ยังเป็นนั่งบนเก้าอ <ES> ี้ก<า> <ES> ั<า>นเ <ES> ป็<า>น <ES> นั่งบนเอาวางก่อนวางก่อน พราะเหลือเวลาอีกไม่นานดีแล้วนานๆนนมาลองฝึกฟังทำกันบ้างเนาะเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเวลาศึกษาคาว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยที่บอกว่าตัดสู้ชอบได้ด้วยตนเองนะและสอนให้บุคคลอื่นตัดสู้ด้วยแปลว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นจักขู่คือทั้งจักขูภาษาทั้งศสตร์สัมภาระจักสุนะย ทั้งยวงเลยว่างั้นเถอะทั้งก้อนเลยเนี่ยแม้แต่ตัวจุดเล็กๆของจักรคูประศาสตรซึ่งเป็นที่ตั้งของจักขคูวิญญาณและธรรมที่เกิดร่วมกันกับจักรคูวิญญาณคือตัวจิตเนี่ยที่เข้าไปรู้ไปรับไปเห็นเป็นต้นได้นั้นในจักขคูทวารทั้งหลายนั้นล้วนแต่เป็นที่ตั้งของจักรคูวิญญาณเป็นต้นเลยนี่ยคือในจักรคูประสาสตรเนี่ยทีนี้ตัวจักรคูประศาสตร์อันนั้นก็ต้องบอกว่าจักรคูประศาสตร์จะ เกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุและในจักอย่างนี้ก็เป็นเทไรแปดบวกหนึ่งก็เป็น9แล้วก็มีชีวิตมีชีวิตตรูปด้วยเป็นตัวหล่อเลี้ยงรักษาจักรคูปาศเป็นต้นเหล่านี้รวมเบสเสร็จเขาเรียกว่าจักขคูท่าศักกะราบกราบที่มีจํานวนรูปสิบรูปใช่ไหมมีจักขคูปาศหนึ่งมีดินมีน้ํามีไฟมีลมใช่ไหมสี่แล้วมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาเป็นแปด แปบวกหนึ่งเป็นเก้าแล้วมีชีวิตแต่รูปอีกหนึ่งก็เป็นสิบในสิบรูปเขาเรียกจักขูท่ท่ศจะไปเป็นกราบหนึ่งเล็กๆที่มีรูปอยู่สิบรูปส่วนต่อมาก็มี ส, สัสมภาระใช่ไหม ส, สัสมภาระจักขู่ก็คือก้อนเนื้อทั้งก้อนตาเลยยกยวงได้เลยว่าเงั้ยเดอนนั่น ส, สัสมภาระจกักษุสิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าว่าเป็นทุกข์และพระเจ้าตรัสรู้แล้วว่านี้คือทุกข์สัตว์เป็นที่ตั้งของความเกิดเป็นที่ตั้งของความแก่ เป็นที่ตั้งของความเจ็บและเป็นที่ตั้งของความตายเป็นที่ตั้งของความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจของตนเองด้วยใช่ไหมแล้วพระเจ้าก็ตัดสั้นอันนี้เบียเศดด้วยด้วยเป็นทุกข์กษัตริย์แล้วก็รู้ด้วยว่าจากขู่ประสาทพร้อมกษัตริย์สัมภาระจกักษุที่เป็นไปในส่วนของกรรมชะลูบทั้งหลายมีอะไรเป็นปัจจัยมีอวิชาตัญหาแล้วก็กรรมในดีเป็นปัจจัย ก็หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายทํากรรมมาเราก็ได้ตาอย่างนี้แต่สัตว์ทั้งหลายทําไมถึงชอบที่จะทำกรรมเพื่อมีตัณหาเป็นตัวเชื่อมทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงเข้าใจว่าจากักรโหประสาดหรือตาก้อนนี้เป็นสุขก็สัตว์นั้นมีความไม่รู้มีโมหะปิดอยู่ก็เลยไปเข้าใจว่าการมีตาเนี่ยโอ้มันแสนจะ p เสริฐแสนจะเลื่อแสนจะดีแล้วยไหมแต่เมื่อเรามีเข้ามาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาทุกข์ใช่ไหมทุกข์เพราะการมีตา ทุกเพระการมีตาใช่ไม่ใช่แล้วก็มาเจ็บปวดว่าเพราะตาเป็นที่ตั้งของชาติทุกชรลาทุกดังที่ได้กล่าวอันนั้นคือปัจจัยในลักษณะว่าเออเข้าใจในด้านของปัจจัยในอดีตทีนี้ในปัจจัยในอดีตต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่แค่นั้นตัวจักขโนี่นะแม้ปัจจุบันนี้เขาก็ต้องอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นใช่ไหมอาศัยกรรมอาศัยจิตอาศัยอุตุอาศัยอาหารถามว่าการที่จะได้ตาดีเป็นต้นเหรือนี้ต้องอาศัยบรรยากาศใช่ไหมถ้าอากาศตัอุตุสภาพของอากาศที่ เกื้อหนุนต่อการได้สายตาที่ดีใช่ไหมอย่างเมื่อแสงสว่างเนี้ยเป็นต้นเหล่านี้ถ้าอยู่ในแสงสว่างที่มันเอื้ออำเนวยต่างๆจากครูภาษ า, าของท่านพวกนั้นก็ใช้ไปได้นานงี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกอาศัยปัจจัยปัจจุจจบันก็คือแสงสว่างคืออุต่ทั้งหลายเนี่ยนะนอกนั้นไม่พอใช่ไหมต้องอาศัยอาหารที่เราบำรุงหล่อเลี้ยงเข้าไปเนี่ยในการที่จะไปหล่อเลี้ยงใน้่างของตาเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมว่าวิตามินต่างๆที่เขาวิ่งไปดูเขาดูแลเขาเพราโอชะหรืออาหารต่างๆ ที่ไปหล่อเลี้ยงตานั้นจะทําให้เขามีอายุยืนได้อยู่ยได้แค่ไหนอย่างไรอันนั้นก็เห็นไหมนี่คือเขาไม่ได้อยู่ได้ด้วยปัจจัยเดียวดังที่ได้กล่าวไม่ใช่แค่นั้นจิตด้วยจิตที่คุณคิดกันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยคุณคิดด้วยความโลภโกรธหลงหรือคิดด้วยกุศ ล, ลจิตเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุทําให้ตาที่จะอยู่ได้นานหรือได้ไ ด, ได้ได้ไม่นานเช่นคนบางคนโกรธมากมากบ่อยๆเขาก็ผีผลทางตาไหม อย่างนี้เป็นต้นจะเห็นได้ว่าจาักขคูนี่ไม่เที่ยงเพราะปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมทําให้จักขคู่เกิดก็ไม่เที่ยงยิงๆใช่ไหมที่จริงท่านต้องรู้ลักษณะ ร, รัก ษ, ษาปัจจุบานปัจจุบนของจักขคู่ก่อนคือไปไข้ควรจนชัดเจนก่อนตรงเนี้ยแล้วจึงเห็นว่าโอ้โดยเฉพาะปะัจจุบนหรือปัจจัยของเขาใกล้ชิดก็ดีปัจจัยไกล ก, ก็ดีเป็นต้นเหล่านี้ปัจจัยเหล่านั้นล้วนไม่เที่ยงเลยเช่นอากาศนี่ไม่เที่ยงอุตูเนี่ไม่เที่ยงเลยเดี๋ยวก็อยู่ในอุตุที่ อุณหภูมิเท่านั้นอุณหภูมิเท่านี้สภาพของตามันก็ต้องไหมเสื่อมโทมเร็วบ้างช้าบ้างไปตามสภาพของอุตุนั้นด้วยอาหารที่เรากินกันไปแต่ละครั้งก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันหมดเมื่อไหร่ก็ลองค่อค่อยรู้ตัวด้วยนะอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงจากครูเนี่ยใช่ไหมมันหมดเมื่อไหร่อาหารเนี่ยมันไม่เที่ยงไงตัวจากครูประสาทมันจะไปเที่ยงได้ยังไงะ้ตัวจิตนะบางครั้งก็อกุศลจิตเดินบางครั้งก็อกุศลจิตแล้วสัตว์โลกเนี่เดินจิตกันเป็นที่ไหนละ่ะอยู่ด้วโมหะครอบงามกันทั้งนัน โดยมากก็เดินจิตด้วยตามธรรมชาติเนี่ยเขาพูดให้รักก็รักแค่หัวปักหัวปำพูดให้โกรธก็โกรธแค่หัวปักหัวปเนี่ยะพูดให้หลงก็หลงอยู่นั่นแหละเขาชมว่าตาสวยดีใจทั้งหลายสิบปีเนี่ยนะใช่ไหมเอาบางคนพลาดเลยนะเขาชมว่าสวยเนะี่ยชมว่าตางามเนี่ยใช่ไม่ใช่ทั้งๆที่โค้งตาเยื่อตาชั้นในต่างๆแต่ละจุดแต่ละจุดของตามีที่ไหนงามโลก แต่สัตว์โลกไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่เคยไปกระเทาะไปลอกไปไข้ควรไปวิจัยในความไม่งามในความเป็นโทษในความเป็นหัวผีในความเป็นลูกศอนในความเป็นความลําบากวันหนึ่งเราล้างตากันกี่ครั้ง ต, ต้องมาทรมานกับการมีตาอนี้เท่าไหร่เป็นต้นสัตว์โลกก็ไม่เคยมานั่งวิจัยตามที่พระบรมศ า, าสดาตรัสไว้ถ้าวิจัยอย่างนี้แทงตลอดสัจจากันตั้งนั้นแล้วใช่ไม่จ๊ะนี่ไม่ได้วิจัยไม่ได้ไข้ควรไม่ได้พิจารณาก็เลยไปเห็นว่า ตางามตาดีแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กันมีตายแล้วนักเข้าก็จะเสื่อมโทรมไปไหมอินทรีย์ก็เศร้าหมองอย่างที่บอกนักเข้าตาก็ฟ้าฟางนักเข้านัเข้าก็เป็นคนแก่คนหนึ่งเทานั้นแหละเป็นคนที่โอ้ใครเห็นตาที่เคยเป็นที่ตั้งการตั้หาวันนี้เดี๋ยวก็เป็นที่ตั้งของโทสะในวันนั้นเขามองปุ๊บไม่อยากจะมองเลยสายตาคู่นี้ฮะ ม, มองทีไรแล้วไม่ ไม่สบายใจเลยแต่ก่อนมองหูซึ้งมากมองซึ้งมากใช่ไหมพอเดี๋ยวนี้มองไปมองมาบอกโอมีเด็กวัดก็มานั่งคุยกันแม่ไปเจอคนนึ่งตาหวานเลิกกันทั้งมาบอกว่ามาอเองนี่พูดใช้ข่าวซัผิดแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมมันมีแต่ขี้ตามีแต่น้ําเลี้ยงตาอยู่ใช่ไหมแล้วในนั้นลองไปดูข้างในมีหวานเวรอะไรหรอกพูดไปใช่ไหม มันของไม่งามทั้งนั้นวันวันหนึ่งก็ต้องมาล้างกีดากันอยู่ใช่ไหมแสดงว่าผลิตของไม่ดีออกมาตลอดแล้วมันก็เป็นเหม็นก็เหม็นใช่ไหมไปดูที่พระเจ้าบอกไม่งามไปทั้งนั้นนี่พระเจ้าแทงตลอดเนี่ยสัมมาสัมพุทธานี่นะคําว่าสัมมาสัมพุทโธ ท, ที่เราสวดกันเนี่ยสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยคือพระเจ้าตัดสู้อย่างนี้ด้วยความเป็นโทษกตริย์ และวตัดสรุ้ตัณหาที่บวกกรรมในอดีตเป็นสมุทรยะเสดจา่าถ้าหากไม่มีตัณหาไม่มีกรรมไม่มีวิชาเป็นต้นและไม่มีจักขุประสาสิ่ ง, ท, งทั้งสองประการนี้ดับโดยไม่มีส่วนเหลือมาไรเป็นนิโรธาเสดจ่าเป็นนิพพานปฏิปทาถึง น, นิโรธเป็นมรรคสัตว์พระองค์ก็มาตัดสรุปอริยสัตว์ในเรื่องนี้ได้ชัดและพระองค์ตัดสรุปด้วยเมื่อตัดสรุเ้เสร็จพระองค์ก็สอนบุคคลอื่นให้คิดตาม ถ้าปรารถนาจะตัดสู้ตามพระองค์เนี่ยคิดตา ม, ม อ, าาอย่างนี้เอาจักขู่างมาไล่มาไข้ควรมาพิจารณาเพื่อเห็นตามความเป็นจริงอันนี้คือชิ้นเดียวในในสเตรด้าแต่ทั้งหมดพระองค์เอามาวิจัยหมดนะอันนี้ยกตัวอย่างชิ้นเดียวเนี่ยนะแล้วก็จะได้เห็นโอ้คําว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยทําให้เราเกิดความลึกซึ้งเกิดความลึกซึ้งว่าโอ้สัมมาสัมพุทธโธเป็นอย่างนี้นี่เองเนะฉะนั้นสัมมาสัมพุทธโธเป็นอย่างนี้นี่เอง เมื่อมาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เบเสร็จแล้วเนี่ยเนะียเออทำให้ทำให้ให้ชัดเจนว่าคำว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธาเนี่ยที่ว่าตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเนะี่ยแล้วก็สอนให้บุคคลอื่นให้ตัสรู้ตามด้วยเนะี่ยบอกอ๋อเป็นไปอย่างนี้เองถ้าเราจะตัสรู้ตามพระองค์เนะี่ยแปลว่าเราจะต้องรู้อริยสัจตามพระองค์แล้วก็จะต้องรู้ตามความเป็นจริงอย่างที่พระองค์รู้ด้วยเนี่ยเนะี่ย แต่ไม่ใช่รู้รอบจนเท่ากระบอกเนี่ยรู้จนคลายฉันทราคะคือความยินดีคือความเพลิดเพลินในในในกระแสของขันเป็นต้นนี่นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้นี่นี่ในด้านของตรัสรู้จากครู菩萨ทีนี้ถ้ามาไปวิจัยในลักษณะอย่างนั้นอีกก็เลยเลยก็ต้องมองว่าถามว่าเมื่อเราคิดอย่างเนี้เราจะเกิดศรัทธาในสัมมาสัมพุโทโธยังไงเราจะศรัทธาได้ยังไงเวลาเราสวดใช่ไหม อ拉หังเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัดสรูชอบได้โดยพระองค์เองด้วยสั์แค่เนี้ยแต่จริงๆเวลาเขามาเรียนคาว่าสัมมาสัมพุทโธทแค่คำคำเดียวเนี่ยเขาใช้เวลาเรียนกันอย่างยาวนานใช่มตรงนี้เนี่แหละเวลามาแปลก็ได้แค่สั้นๆแค่ น, นี้แต่อัฏฐะเนี่ยใช่ไหอัฏฐะที่บอกว่าวิว we uh, ัไอวิป วิวัลนวิภัชนาเนี่ยนะที่บอกว่าตั้งนะแล้วก็มาจําแนกแล้วก็มาเปิดเผยนะมาจำมาเปิดมาจำํำที่จริงเปิดก่อนนะพอเปิดเบรศแล้วก็มาจําแนกพอจําแนกแล้วก็ทําให้เป็นไปนะี่นะอุตณีกับอุตานีอุตนีหมายความว่าการทําให้เป็นไปคือการทําให้พิสดารนนะ่ะโดยสามความหมายเนี่ยแปลว่าคําว่าสัมมาสัมพุทธโธใช่ไหม ตัสรูชอบได้โดยพระองค์เองอันนี้แปลว่าเปิดเปิดคําว่าสัมมาสมพุทโธใช่ั้มเปิดให้ดูว่าอ๋อสมาสมพุทโธคือตัดสรูชอบได้โดยตนเองแต่อันนี้ยังกินความอยู่นะยังมีความหมายที่ต้องเปิดเผยต่อไปนะยังไม่เปิดคําว่านอกจากตัดสรูได้ตนเองนั้นบ่งบอกว่าพระบรมศาสดาไม่มีญาณและกว่าจะตัดสรูได้ตนเองเนี่ยทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีไหมปัญญาบารมีวิริยะสัจจะที่ คันเตีย่ยทฐานนะเมตตานะ่าอุเบกขาบารมีไปด้วอุปปารมีสิบปรมาทบารมีสิบยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรัปนะตรงนี้นะกว่าจะได้คําว่าสัมมาสัมพุโทโธนี่นะบ่มเพาะบารมีมาอย่างยาวนานนะตัวบารมีสิบเหล่านี้หนุนเนื่องพราที่ปักขียทำสมสิบเจ็ประการนะหรือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนะจนสามารถได้ตัดสรุปนุตรลสัมมาสัมพธิญยาเป็นพระพุทธเจ้าเรียกได้คําว่าสัมมาสัมพุโทโธตัดสรุปชอบได้ด้วยตนเองนี่นี่อัดหนึ่งอัดฐานี้้้เอาาขใจแลว พอสมควร น, นิดหน่อยแล้วนะทีนี้พอไปบอกว่าตัดสรู้ได้ตนเองมีตัดสรู้อะไรบ้างตัดสรู้รูปโดยความเป็นอริยสัจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขูประสาทตูปารมจักขูวิญญาณนี่นะโสตประสาทสัทธารลมโสตวิญญาณไลเเอะคานะประสาทคือจมูกไงนะคันธารลมแล้วก็คานะวิญญาณชิวหาประสาทคือลิ้น แล้วก็ระอารมคือรสแล้วก็เฉวหาวิญญาณคือวิญญาณที่รู้รสเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ตัสรุกายยะประสาทโพธพารมแล้วกายยะวิญญาณตัสรุมโนแล้วก็มโนวญาณเยเออธรรมอารมณ์แล้วก็มโนญญาณเนี่ยนิธทีาสิบแปเป็นต้นก็ไล่ไปและอีกเยอะเกษาโรมานะคะทันตาพระองค์ตัสรุหมดเนี่ยนะอันนี้แปลว่าพระองค์ตัศรุได้โดยตนเองนี้ดีเดี๋ยวค่อยไปวิจัยอีกทีแล้วก็ให้คนอื่นตัศรุตาม ให้คนอื่นตัดสู้ตามเราก็จะได้เห็นอัดของสัมมาสัมพุทธะกว้างขวางมากเพราะพระพุทธเจ้านั้นเวลาท่านจะบำเพ็ญบา ร, รมีท่านผูกบา ร, รมีสิบไว้ในตนคือผูกทานศีลเนกธมะปัญญาเป็นต้นไว้ในตนทือไว้ในจิตท่านการผูกก็คือว่าถือมั่นเลยนะต่อมาท่านก็ผูกสัตว์โลกทั้งหมดเลยไว้ในตนด้วยสรุปก็คือว่าบา ร, รมีทุกประการที่ทํานั้นเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในการ ใหสัตว์อื่นตัสรู้ตามนี่เราก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้ทาให้บุคคลอื่นตัดสรู้ตามด้วยพอเราศึกษาสัมมาสัมพุทธะปุ๊บเรามายกตัวอย่างเช่นว่าสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยตัวเองแล้วก็มาวิจัยก่อนนะผู้เจ้าตัดสรู้อะไรพอวิจัยเป็นไปตามระดับเริ่มจากขูเป็นทุกข์ษัตริ์จากขู่สมุทยัยเป็นสมุทยัยสัจจะจากขู่นิโรธเป็นนิโรธาสัจจะจากขูนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นมรคสัจณ์นี่นะก็ไล่โสตา่าเป็น ทุกขสัตริย์จะโสตสมุทิยะเป็นสมุทิยะสัจจะโสตนิโรธะเป็นนิโรธาสัจจะโสตนิโ ร, าารธาข่าววิณีปิฎทาก็เป็นมรรคสัตว์ก็ไล่ไปเรื่อยๆนีนะจนเริ่มเห็นคุณของคําว่าสัมมาสมพุทโธนแนบแน่นมากมองเห็นไหมคือยิ่งตรึกไปยิ่งไข่ควรไปแย่งวิจัยไปเนี่ยวิจัยมากกว่าการเป็นด็อกเตอร์เข <c oughs> ้าใจไหมเคอไปเรียนต่างประเทศใช่ไหมต้องเรียนหนักไหมหนักใช่ไหมอันนี้มากกว่านั้น วิจัยวิจัยจนเข้าใจว่าโอ้โหสัมมาสัมพุทโธนี่ไม่ทำอะไนี่แปลว่าตอนนั้นเป็นอุปจารสมาธิได้เลยวิจัยไปจากศั์เดียวนี่นะคำเดียวนี่นะนักเข้านักเข้าพอพอไปมวลเบีเสร็จแล้วตอนนี้จะเกิดความผ่องใสแล้ววิจัยมาจนอิ่มแล้วเนาะจนปัญญานั่นท่องเที่ยวจนชำนาญทะลุทะลวงเบีเสร็จแล้วนักเข้านเข้าก็เริ่มมาเห็นนะมาเห็นโอ้โห ดีนักหนาเนอะจิตใจของเราเนี่เนาะปัญญาของเราในศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยรสติสมาธิปัญญาของเราเนี่ยเราได้มาคิดคําว่าสัมมาสัมพุทโธเราคิดคําอื่นมานานแล้วแสนจะปวดหัวใช่ไหมคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกคิดถึงอะไรยั่งความเจ็บปวดใจช้ำใจให้เกิดเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคิดถึงลูกเป็นห่วงลูกไหมห่วงลูกอีกแล้วไม่มีลูกกันแนละ้วเนี่ยคิดถึงแม่ ก็ปวดใจเพราะแม่เนี่ยอะนะใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดถึงสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยเราจะได้ปราโมดปีติปสัสสติความสุขตัวนี้เป็นอุปจารสมาธิพอเป็นอุปจารสมาธิเบีดเสร็จเหล่าเนี้ยนักเข้านักเข้าเราก็เอาข้อมูลจากคำว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยวิจัยถอยออกจากอุปจารสมาธิที่เป็นสมาธิเริ่มตั้งมั่นนี่นะพอถอยออกมาเบีดเสร็จก็เอาสัมมาสัมพุโทโธนั่นแหละ พระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไรแล้วแล้วบทไหนที่เราวิจัยจนชํานาญเลยดึงมาเลยเดี๋ยวนี้ยแล้วเอาจักขคู่เนนี้มีนี่ของเรามีไหมเนี่ยก็วิจัยเลยนี่เขาเรียกว่าพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างมาแล้วเดี๋ยวนี้ยใช่ไหมเริ่มมาวิจัยว่าโอ้เป็นทุกข์กษัตริย์ยังไงเริ่มไข้ควรเบ็ดเสร็จนะพอพิจารณาอย่างนี้เริ่มเห็นเนาะจักขคู่ประสาทเนี่ยเป็นทุกข์กษัตริย์ เป็นทุกข์สัตว์จริงๆเนี่ยพิจารณาก็ไปวิจัยเป็นที่ตั้งของชาติทุกชราทุกมรณะทุกยังไงเป็นต้นเพราะจากคุปสัตว์นี่ก็ไล่เรียงไปตามแบบนี่เราพูดในแนวทางการปฏิบัติเลยนะเนี่ยใช่ไหมเขาวิจัยกันอย่างนี้เขานั่งปฏิบัติอย่างนี้เวลาเนี่ยเนี่ยที่จริงเมื่อวานนี่เรามาพูดขั้นตอนแล้วถ้าต้องการอยากจะเดิญพุทธา น, นุสติเนี่ยหลีกเล่นอยู่อาสนะเดียวอยู่คนเดียวนะ พออยู่คนเดียวอยู่หน้าพระาธาตุหน้าพุทธรูปอะไรต่างๆก็แล้วแต่หรืออยู่ในห้องอะไรก็แล้วแต่นะนั่งหน้าอาสนะเดียวในอาสนะที่นั่งจะสะดวกที่สุดพอนั่งเบ็ดเสร็จแล้วก็กําหนดหมายเจริญพุทธคุณไล่จนจิตชุ่มชื่นแล้วก็สําคัญนะสําคัญว่าพระบรมศาสดาหรือพระเจ้าประทับอยู่บนศีรษะเลยสําคัญอย่างนั้นเลยะว่าตอนนี้พระเจ้าประทับอยู่บนศีรษะบนกระหม่อมข้าพรเจ้าแล้วอถ้าพระเจ้านั่งอยู่บนติษานั่งบนกระหม่อมเนี่ยกล้าหลับไหม ยังไม่กลายใช่ไหมต้องสำคัญมั่นหมายว่าตอนนี้พระเจ้าประทับอยู่บนศรีรษะแล้วเราก็จ ะ, จะเราก็จะเลิญพุทธคุณลองคิดดูดิอัธยาสาัยจะตั้งมั่นไห ม, มแหลงมากตั้งมั่นแหลงมากไม่ตั้งไม่ใช่ธรรมดาเลยะฉะนั้นอัธยาศาัยที่ตั้งนนแรงมากความมุ่งมั่นก็สูงมากแล้วก็วิจัยสมาสมุโทโธของพระองค์ศรัทธาก็ยิ่งตั้งวิริยะสติสมาธิปัญญา ย, ยิ่งแข็งแรงมากขึ้น แต่ไหมท่าอบจริงๆนะอันนี้อันนี้ทําเป็นตัวอย่างเล็กๆเนี่ยนะน่ะ ข, ข้าวน่ะข้าก็เริ่มมาพอจิตเป็นสมาธิก็เริ่มมาวิจัยจกักรครูของภายในของตนเองพอวิจัยเบ็เสร็จก็จะเห็นใั่ไหมกรรมใช่ไหมบอกโอ้โหในสังสารวัตรอวิชาตันหากรรมเนี่ยถ้าจากักรครูประสาทของมนุษย์เนี่ยมาจากกุศลกรรมและจกักรครูประสาทของเราทั้งหลายที่กําลังนั่งใกล้ควรพุทธคุณอยู่เนี่ย อันนี้ก็มาจากกุศลกรรมที่มีตันหาเป็นตัวเชื่อมให้เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนใหญ่ให้มอบให้เลยอะ่ะเอาอาตาไปใช่ไ้ยแล้วตันหาในอดีตกรรมในอดีตอวิชชาในอดีตที่สร้างตาไว้เป็นโรงงานมหิมาเลยอะ่ะที่รอให้วิบากเราอยู่เนาะตายเมื่อไหร่เขาก็มอบตาใหม่ให้เมื่อนั่นแหละเมื่อจติก็ปฏิสนธิทันทีจติก็ปฏิสนธิทันที ถามว่ามีขณะจิตไหนบ้างที่ท่านทั้งหลายไม่ทํากรรมมีไหมหลับยังฝันเลยเจ้าไหมฝันก็ให้ผลในวัติการปฏินิาการก็ไม่ให้นะโดยมากเราทํากรรมนะกายกรรมที่เคลื่อนไหวกันแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนะี่ยเป็นกายกรรมทั้งนั้นถ้าจิตเป็นบุญก็เป็นกุศลกรรมไปถ้าจิตเป็นบาปก็เป็นอกุศลกรรมแล้ว บาปเราพูดกันแต่ลวันเพาะแป๊บๆเนี่ยจะรู้เนื้อรู้ตัวหรือแล้วมัก็รู้ตัวถ้าหากจิตเป็นบาป ก, ก็เป็นอกุศลรกรรมแล้วพูดเนี่ยจิตเป็นบุญก็เป็นอกุศลกรรมนั่งเฉยๆกายวาจาไม่ขยับขยื่นจใจคิดเน่ยเป็นมโนกรรมเนียเป็นบุญหรือเป็นบาปทั้นั้นสรุปแล้วก็คือว่ากรรมสามเราเดินกันอยู่ตลอดเวลาเลยครอบกรรมมาบดก็ให้วิบากครอบกรรมมาบดก็ให้วิบากอยู่อย่างนั้นแหละแล้ววิบากเหล่านั้นถามจะมากมายสักเพียงไร เป็นโรงงานมหึมาที่เป็นตัวเชื่อมเพราะกรรมเนี่ยนะจะให้ผลกับคนที่มีสักการะทิฐิใช่ไหมผ้าหาันผ้าโสตบัลละสักการทิฐิได้ใช่ไหมท่านก็โหดเลยเจ็ดชาิใช่ไหมนี่พูดหมายถึงมุมนี้จะได้เห็นว่าถ้ามีสักการทิฐิอยู่เนี่ยกุโสลกก ร, รมกุโสลกรรมหลายเป็นตำมแม่นมากกินแมลง กลิ่นสกายทิทีเนี่ยแรงมากเข้าใจไหมความเป็นตัวเป็นตเนเนี่ยแรงมากเนี่ยมันเชื่อมติดเชื่อมติดเนี่ยก็มีเรเหมือน ม, ม, มีโทรศัพท์อ่ะมือถือแล้วเปิดเบอร์แล้วแล้วเปิดโ เ, เ, เบอร์โชแล้ยอะ่ะใครจะโทรมาก็ได้ทั้งนักเลงจะโทรมาก็ได้บัณฑิตจะโทรมาก็ได้แต่สำคัญเร า, เราให้นักเลงก็ดูเยอะหมดดูปลาประมิต ด, ดูไปหมดใช่ไหมแล้วก็โทรกี่เข้ามาแล้ว อะไรขาดกำลังจะตายอะไรขาดแล้วเดี๋ยวก็ผลิตอะไรมาให้ตรงเนี้ยนะก็เนี้ยถ้าพิจารณาในลักษณะนี้ก็จะเห็นว่านี่ไงอย่างนี้เขาเรียกว่าหนึ่งเป็นยาตัาปริญญาเนะพิจารณาด้วยความมาจากขูป่ประสาทที่เป็นรูปธรรมเนาะและเป็นที่ตั้งของจักรคุญัญนะใช่ไหมอาศัยตายแล้วลูกเกิดจากคุญาณเอาทีใช่ไหมใช่ สายตาและรูปเกิดจากขูญาณการประชุมของธรรมสามปการเป็นภาษาเขาเรียกจากขูสัมพัสะตารูปารมณ์จากขูวิญญาณสามอย่างประชุมกันก็เป็นจากขูสัมพัสะก็เป็นภาษาภาษาเป็นขันอะไรสังขารขันภาษาก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาถามว่าเการมองเห็นปุ๊บเนี่ยไม่เกิดสุขเวทนาก็เกิดทุกขเวทนาหรือเกิดอุเบกขาเวทนาในชาวนะใช่ไหม เพราะในขณะที่จักขูวิญญาณเกิดขึ้นมาก็เป็นอุเบกขาเวนาอยู่แล้วนั้นเป็นสาชาติดังที่ได้บอกบอกในขณะเมื่อวานนี้แต่ตัวจักขูสัมปัสสนี้แหละเขาจะไปเป็นปัจจัยเกิทุกขเวทนาในชาวนะก็ได้เป็นโทมนาตนะนะเป็นสมนาสเวทนาในชาวนะก็ได้เป็นอุเบขาเวทนาในชาวนะก็ได้เห็นรูปารม์แล้วเสียใจยังมีเลยเห็นรูปแล้วมันไม่น่าเห็นเลยคนคนนี้เห็นที่รายเสียเงินทุกทีก็เป็นไง จะมาทุกใจบางอย่าง ก, ก็อยากเห็นพอได้เห็นก็ดีใจเนี่ยนะแล้วก็หลงปิดไปความกำหนัดบ้างความขัดเคืองบ้างความรุ่มหลงบางก็เกิดเมื่อวานพูดในเรื่องนี้ใช่ไเนี่ยความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงก็เกิดทางทวารตานี่แล้วเพราะเราตั้งชาวนาไว้ไม่ดีนะก็เลยเป็นที่ตั้งของความกำหนัดบ้างความขัดเคืองบ้างความรุ่มหลงบางเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้น ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้จักจักขู่ด้วยรู้จักจักขูวิญญาณด้วยรู้จักจักขู่สัมผัสเป็นต้นด้วยรู้จักกรูบารมเป็นต้นด้วย ท, ที่จริงในที่ตรงนี้เขาจะไปไล่กันนะเนี่ยถ้าหากว่าเจริญเป็นไปในลักษณะว่าจากสมาธิพอกลับมาก็มาเจริญในด้านของวิปัสสนาท่านจะเดินไปสายลักษณะอย่างนี้ในรายละเอียดนะนะก็จะเดินไปลักษณะอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเดินไปในกรณีอย่างนี้เบ็ดเสร็จเนี่ยนะ ถ้าเราพิจารณาบอกว่าอาศัยตายและโลกเกิดจากขริย ญ, ญาณอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็อย่างที่ว่าท่านในเอาในพายัา ย, ยัสูตรใช่ไหมเคยกล่าวหลายครั้งแล้วมามากล่าวบอกเออตัวที่เห็นรูปารมณ์นี่คือจากขริย ญ, ญาณเป็นผู้เห็นไม่ใช่เราเห็นนะแต่สัตว์โลกก็เป็นสำคัญว่าเราเป็นผู้เห็นใช่ไหมส่วนที่ถูกเห็นคือสีคือวรณะรูปไอ้ตัวสีวก็ดีตัววรณารูปก็ดีนั้นเนะี่ยเป็นรูปารมณ์ จักขูอิญญาเป็นผู้เห็นแต่เราสัตว์โลกทั้งหลายสําคัญเสร็จสําคัญเบ็ดเสร็จว่าเราเป็นผู้ไปเหต์ น, นี่แหละแต่แท้จริงจักขูอิญญาณทำทัศนกิจรูปารมณ์ก็ถูกเขียนไปอันนั้น น, น, นั้นจุดแรกนี่ประการต่อมาก็คือว่าจาักขูอิญญาเนี่ยเป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยใช่ไหมจักขูอิญญาณนี่เป็นวิบากไหมเป็นวิบากมีกรรมเมื่อวานนี้พูดในเดียวว่าอากุศลกรรม ใช่จริงจากขุญยาณเป็นกุศลจากขุญญานก็ได้เป็นอกุศลจากขุญญานก็ได้ใช่ไหมทีนี้กุศลจากขุญญานก็รลับรูปารมณ์ที่เป็นผลของกุศลถ้าอกุศลจากขุญยานกรลับรูปอารมณ์ที่เป็นผลของกุศลก็ถ้าแต่ก่อนก็มานั่งคุยกันบอกว่าถ้าเราเห็นอรร่ะบยศาสตร์เป็นผลของบุญหรือผลบาปเป็นของบาปใช่ไหมถ้าสีของใบรรยาศาตว์งามๆเนี่ย สีเป็นสีทองเลยอย่างเงี้ยอาสีที่เกิดจากบุญก็จริงเป็นสีทองก็ดีตอนนั้นจิตของเขาเป็นบาปอยู่สมมติฮัล <c oughs> นี้จริงๆลฮั่โหลฮัลโหลฮัลยพูดัันแบบรัมโวลฮัไโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโัลโหลฮัลโหลฮัลโหเฮัลโหลฮัลลัลโหลฮัลโหลัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลลฮัลโหลฮัลโหัลโหลฮััลัลโลหลัลโห แล้วก็ชอบใจได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ผลของบาปกำลังให้ผลทันวุ่นนั้นอยู่เนี่เราก็มาทํากรรมใหม่กันอีกเห็นไหมตัณหาก็ไปเชื่อมติดอีกแล้วตัณหาก็ไปเชื่อมติดอีกในการที่จะทําให้เหล่านั้นมีความยินดีมีความเพลิดเพลินก็เหมือนกันถ้าถามอกว่าฝรั่งเนี่ยเขชอบที่สุดการอยู่ป่าดูนกทั้งๆที่เอาใตย์แท้ทๆเขาไปดูอบยศแต่เขาชื่นใจมากเพ ร, ราะว่าดูใบย์เขาไม่รู้ในการดูแต่ละครั้งนั้นตัณหาก็เชื่อมอคุุลกรรมก็ต่อติดเข้าไว้ แล้อัธยาศัยที่เขาสั่งสมอย่างยาวนานเหล่านั้นถ้าเขาใกล้ตายขึ้นมาอารมณ์เหล่านั้นเป็นในอารมณ์ในมรณาสถานการเขาก็ไปปฏิสุิณที่อยู่ในป่าอยู่ในนกเงี้ยอย่ง น, นอยงนี่เป็นต้นเขาก็ไม่รู้กรรมสัตว์ไม่รู้กรรมแล้วดูเหมือนโอ้โหเระบูชามากพวกนี้ฉลาดพวกนั้นดูนอกอันมาโวยตายแล้วไม่ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระเจ้าให้ชัดก็เลยแยกแยะไม่ออกว่าจริงๆแล้วบุคคลเหล่านี้อวิชาปกปิดเา้าเขาไม่รู้หรอกเขาไปเสียเวลาอยู่เป็นสิบสิบปีซุ่มอยู่ในป่า วันๆไม่ได้ทํากิจอย่างอื่นแล้วถือกล้องอันนี้ก็ค่อยส่องนกอยู่เนี่ยนนั่งส่องนกยืนส่องนกอยู่นั่นแหละบางคนยุงกัดเสตัวร้ายสมาธิดีเหลือเกินนิ่ง <c oughs> เห็นมหมเขาทำงั้นจริงๆนะมาไปเจอเถวจังหวัดกาญฯไปเจอตอนนั้นไปอยู่ในป่าไปเจอโอ้โหเขาก็คิดว่าเราชอบป่าเหมือนกัน <c oughs> เรามเป็นมหาที่หลีกเล้น <c oughs> คนละมุมกันเลยนะะความคิดคนละมุมกันเลยเขาก็ไปเจอก็เข้ามาทักมานั่งคุยเขาก็ชอบดูนกเขาว่าก็ลเลยถามเขาพูดภาษาไทยได้ก็าถามเขาว่าคุณดูนกเนี่ยคุณคิดยังไงโอ้โหเขาสวยมากธรรมชาตินี่เขาว่าไม่อยากกลับบ้านพ อ, อ่อยพาสปอร์ตหมดอายุเขก็ไปต่อใหม่วีซ่าหมดอายุาก็ไปต่อ เออเขาไม่เขาไม่ต้องใช้นี่พลังถ้าเป็นอเมริกาเขาจะไม่ต้องใช้แต่ถ้าพวกประเทศอื่นยังใช้นะประเทศนี้เขาเขาจะมีกําหนดอายุระยะเวลาเขาเนี่เวลาเขามาอยู่หกเดือนบ้างเลยรบ้างเขาก็ไปทําเรื่องเขาต่อที่นี่เขาบอกว่าเขาอยู่เขามีความสุขแล้วก็ถามว่าท่านชอบนกอะไรมาบอกไม่เคยชอบอบยศัสตร์เลยถามทำไมเขาบอกว่า เพราะว่าถ้าหากจิตเขาจมาไปผูกพันกับบสยศัตว์มากๆเป็นอันตรายต่อต่อการประพฤติพรหมจรรย์ฉะนั้นเวลาจะดูแล้วคุณดูแล้วคุณคิดยังไงอาตมาก็มาดูว่าที่เขาล้องเนี่ยอัฏฐะที่เขาบอกก็คือว่าแต่ก่อนเขาเป็นคนชอบป่าแล้วคร่งคาดกับพระคุณย่าวยู่ด้วยความประมาทและความเป็นปุรุชนของเขาเนี่ยเขาจึงละความเกิดเมยได้แต่ท่านก็อย่าประมาท ถ, ถ้าท่านประมาทเมื่อไหร่แล้วท่านก็ยังไม่พ้นจาก การที่จะต้องเป็นเหมือนกับใเยาวที่ร้องอยู่ในป่าอย่างแสนห่วยหวนฉะนั้นอาตมาได้ยินเสียงนกหรือเสียงสัตว์ป่าร้องแต่ละครั้งเป็นตัวกระตุ้นทําให้อาตมาเนี่ยกระตุ้นเตือนในการที่จะบําเพ็ญศีกขาสามให้ยิ่งยิ่งขึ้นเขาพูดนี้ก็บอกเหม่เออท่านคิดคนละมุมกับเขาเลยก็คิดคนละมุมเพราะอัธยาศัยที่เราสั่งสมมามันคนละเรื่องกับเขาที่เขาสั่งสมอยู่ไหมเขาสั่งสมมาในการที่เป็นอย่างนั้นหลักสูตรที่เขาเรียนมาก็เป็นอย่างนั้น ครูบาอาจารย์ที่เขสอนก็สอนเข้ามาอย่างนั้นก็ปลูกฝังวิธีคิดถ้าเขาตายไปแล้วก็ควรจะเป็นอะไรใช่ไหมเพราะเขาไปเพาะเชื้อของตัณหาไว้เต็มหมดแล้วแล้วถามว่าที่ตรงไหนบ้างที่สัตว์นั้นน่ยถือปฏิสนธิไม่ได้ไม่มีเลยนะเขทุกแห่งทุกที่นั้นเป็นที่ถือปฏิสนธิของสัตว์เหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยนั่นแต่พิจารณาอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสําหรับ สำหรับกลุ่มที่ไม่ชอบการเกิดทั้งหลายนี่นะนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ถ้าถามว่าที่จริงในจุดแห่งการพิจารณาเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ถ้าขั้นตอนแห่งการจเจริญพุทธคุณเป็นต้นนะซึ่งเป็นอุปจารลสมาธิเมื่อสมาธินั้นตั้งมั่นแล้วออกจากสมาธิเหล่านี้นะมันมีสอง ม, มุมสองมุมก็คือว่าสมาธิของเราที่หลายทั้งหลายที่ตั้งมั่นเนี่ยถ้าอีกมุมหนึ่งเนะี่ยท่านก็มาพิจารณาวิจัยสมาธิของตนเองก็ได้ ใช่ไม่ใช่เพราะกลุ่มสมาธิทั้งหลายก็คือกลุ่มนา ม, มาทำนั่นแหละที่ไปตั้งมั่นในพุทธคุณหรือคุณของพระพุทธเจ้าคําว่าสัมมาสมัมพุทโธเป็นต้นก็สามารถไปพิจารณาตัวสมาธิก็ดีตัวสติใช่ไหมเพราะคําว่าพุทธานุสติเนี่ยในที่นั้นท่านพูดถึงสติที่ตามลึกบ่อยๆนี่นะแต่ที่จริงนั้นทำที่ประกอบกับสตินั้นต้องพูดด้วย ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นหรือเวทนาขันธ nah ์สัญญาสังขารวิญญาณกลุ่มนามธรรมหรือจิตใจนี่แหละที่เป็นน้อมเอาลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็มาพิจารณาสิ่งต่างๆมีสมาธิมีสติเป็นต้นนี่แหละว่าในขณะที่ไประลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในคําว่าสัมมาสัมพุทโธพอเอาสมาธิเอาสติตังนั้นมาระลึกก็จะเห็นว่ากลุ่มเหล่านี้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกลุ่มนามธรรมหรืออรูปธรรม แล้วการูปธรรมเหล่านี้อาศัยอะไรเป็นไปอยู่ใช่ไหมก็อาศัยหัตถยวัตถุหัตถยวัตถุนั้นคือหัตถยวัตถุรูปหนึ่งรูปแต่กลุ่มของหัตถยวัตถุรูปนั้นก็เรียกว่าวัตถุทะสากกราบกราบที่มีจํานวนรูปสิเพราะหัตถยวัตถุนี่นะเล็กนิดเดียวนี่นะจะต้องมีที่ตั้งคือดินน้ําไบลมสีกินรสโอชาธาตุแล้วก็มีชีวิตแรูป แล้วก็หัตถยะวัตถุอีกหนึ่งรวมเป็นสิบรูปเพื่อหาถุวัตถุทัศกกราบกราบที่มีจํานวนรูปสิบในสิบรูปนี้ก็จะตั้งอยู่หลายๆกราบหลายๆร้อยหลายๆพันกรลาบรอบๆ อ, อยู่แล้วก็นับเป็นทั้งยวงของหัตถยะใช่ไหมทั้งก้อนเลยของหัวใจเลยเขาเรียกว่ามังสาหัตถยะในมังสาหัตถยะเป็นต้นเหล่านั้นก็จะมีน้ําหล่อเลี้ยงหัวใจอยู่ภายในเป็นต้นเหล่านี้นะสีของน้ำนั้นก็เป็นไปตามสภาพจิตที่คิด ถ้าจิตของท่านบางคนนี่โกรธก็ดีเกิดโลภก็ดีเกิดหลงก็ดีเกิดสติปัญญาเกิดศรัทธาวิริยะเป็นต้นอะไเนี้ยสภาพของน้ำเลี้ยงหัวใจนั้นก็จะแปลเปลี่ยนสภาพไปตามสภาพของจิตที่คิดนั้นถ้าโกรธเนี่ยหัวใจเต้นแรงขึ้นไหมแรงขึ้นเลยเนาะเออทาไมทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าโทสะเนี่ย นอกจากเขาจะเผาทำที่เกิดพร้อมกันกับเขาแล้วเคยโกรธแรงๆใช่ไหมแรงขนาดไหนขนาดไหนที่ว่าโกรธแรงเนี่ยแรงขนาดไหนฮะแบบร้องออกมาเลยเป่ะยังไม่ถึงขนาดนั้นเลยบางคนนี่โกรธ ถ, ถึงต้องตะโกนร้องตะระบายออกมาก็มีเนี่ยนั้นโทสะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเผาอะไร เขาทำที่เกิดร่วมเงินกับเขาเพราะโทสารนี่นแก่สังขาระขันใช่ไหมคือโทสารเจตสิกมันเกิดร่วมกับโทมันสเวทนาแล้วก็สภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับเขารูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่นะมันจะเผาธรรมที่เกิดร่วมแล้วไม่พอก็เผาที่ตั้งด้วยที่ตั้งคือหาทายวัถุใช่หัวใจถึงดีดแรงมากเต้นป๊๊อปป๊อ ป, ป, ป, ป๊ขึ้นมาเลยใช่ไหมนี่เขาเรียกเริ่มเล่นงานที่ตั้งแล้วนัเข้าก็ไปเผาธรรมที่เป็นปฏิปัติ คือเห็นไหมอะไรที่ที่เขาโกรธเขาเข้าไปประทุษร้ายอารมณ์นั้นประทุษร้ายทำประทุษล า, ายภายในข้งตัวเองประทุษร้ายที่ตั้งเนี่มันว่าก็ไปประทุษร้ายอารมณ์ที่ตัวเองไม่พอใจคือปฏิฆาทั้งหลายก็ไปประทุษล้ายไปห้ามหันนี่เขาเรียกสภาวะของโทสะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลากุศลจิตเกิดขึ้นหรืออกุศลจิตเกิดขึ้นก็ดีเนี่ยสภาพน้ําหล่อเลี้ยงหัวใจก็ต่างกัน ถ้าด like, oh, ูอย on the ่างนี้เราก็โอ้โหในสังสารวัฏเนี่ยเราเผาตนเองมาไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเนาะก็ทีนี้ถ้ามาพิจารณาถ้าสมาธิอย่างนี้เกิดขึ้นใช่ไหมก็พิจารณาโอ้นี่กลุ่มนี้คือกลุ่มนามธรรมอาศัยรูปธรรมคือหาทยาวทรูเป็นต้นแล้วก็การัชกายเป็นไปใช่ไหมสรุปแล้วอ๋รูปนามเป็นไปอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปในลักษณะนี้อันนี้เริ่มชัดเจนไม่ยาตัปริญญาทีนก็ใครควรต่อไปหาทยวัตถุทั้งหลายเนาะ หาทายาวัตถุหรือวัตถุรูปเหล่านี้เหล่านี้เป็นทุกข์ษัตริย์เนี่ยนี่ก็เป็นทุกข์ษัตริย์นะหาทายะวัตถุจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยคือดินน้ำไฟลมเป็น ต, ต้ที่เกิดจากกรรมใช่ไหมแล้วก็ต้องอาศัยดินน้ำไฟลมที่เกิจจดจากกิตด้วยดินน้ำไฟลมที่เกิดจากอุตูด้วยดินน้ำไฟลมที่เกิดจากอาหารด้วยใช่มไหมหัวใจเนี่ ย, ยโอ้โห แ, แข็งแรงไม่แข็งแรงต้องอ า, าอาหารเสริมไหมอาหารเสริมเป็นต้นเลยนะต้องอยู่ในสภาพอากาศที่เหมาะสมไหมอ่าเหมาะสมอีกใช่ไหมต้องกุศลกรรมในดีดีด้วย อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วจิตที่คุณคิดในปัจจุบันต้องไม่ประโยคนาวิบัติด้วยเงี้ยหัวอาศัปัจจัยนี้ปัจจัยเยอะแยะมวลนะทั้งปัจจัยปัจจุบันและปัจจัยในอดีตแล้วก็ดูอ๋อสิ่งต่างๆเลยนี้แม้หาทแยะวัตถุก็เป็นธรรมะที่มีปัจจัยเอาวิชาตันหากรรมโดยเฉพาะตัวตันหาผลิตให้โรงงานนี่ผลิตชิ้นส่วนนี้ให้เอาวิจัยใช่ไหมเวลาจะปฏิสนธิใหม่เนี่ยนะอยู่ในคานปุ๊บครั้งแรกครั้งแรกเป็นกาลละนะปฐมังกาลลังกาลละรูป เป็นน้ำใสๆเป็นญยาิน้ําเล็กๆใช่ไหมเหมือนน้ำมันงานหรอไหเนี่ยใสเน่ยในนั้นมีแล้วนะหาทแยวัตถุเนี่ยในปฏิสนธิการตัวตันหาตัวกรรมเนี่ยตัวกุศลกรรมเรือกกุศลกรรมเนี่ยจะเป็นพวกกรราลละใสๆของอบัยวะศาสตร์ที่เกิดครั้งแรกเขาเรียกปฏิสนธิรูปอะปฏิสนธิรูปกับปฏิสนธิน้ำนี่เขาเกิดพร้อมกันเลยนะไอ้ตัวเนี้ยเกิดพร้อมกันเลย อย่างลงสู่ครันของมารดานีถ้าเกิดในคันนะเกิดในไข่ก็ในไข่เกิดในเท่าใค่หรือในยางเหนียวหรือสัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นนะไอตัวหัตถยะมังสะหัตถยานี่นะไอตัวหัตถยัวัตถุรูปเนี่ยพร้อมทั้งกรรมมชรูปเนี่ยนะมีดินน้ำไฟลมม า, มาด้วยในขณะนั้นไม่ใช่มาแต่เฉพาะหัตถยัวัตถุ น, นะแล้วก็มีปฏิสนธินามมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบเส็จเส็จขันห้าปฏิสนธิในครันของมารดาพร้อมกันเลยที่อุปาทขณาของปฏิสนธิจิต ลองคิดดูขนาดนั้นประหลาดแท้เห็นไหมเป็นหยาดน้ำใสๆเท่ากับน้มันงานเนี่ยวะงั้นโอ้พอพอปฏิสตุทธิ์ที่ขนาดไดนขนาดนั้นมีหัวใจแล้วมีหัวใจแล้วเป็นที่ตั้งของวิญญาณแล้วเรียบร้อยแล้วดูสิเนี่ยทีนี้ต่อมาก็เริ่มพัฒนาใช่ไหมหนาเข้าก็เริ่มเข้มขึ้น สีน้ําใสๆเริ่มเข้มเขมขึ้นแบบเจียจางแล้วก็เข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นมาตามลําดับปัทมังกะลาลังหัวติกะลาลาหติอภูทังเริ่มเป็นอภูธาเ น, ะนาะนะเข้านะเข้าก็เริ่มเป็นก้อนเท่ากับไข่ไก่เงี้เริ่มโตขึ้นมาใช่มเ้าเข้าใจไหมนะเข้าจากก้อนเป็นน้าําใสๆนั่นเองมาก็เป็นเริ่มเป็นชิ้นเนื้อแล้วพัฒนาจากนั้นเริ่มเป็นชิ้นเนื้อแล้วพอจากเป็นชิ้นเนื้อเบสเสร็จก็พัฒนาเป็นปัญจ่าสาขาใช่ไหมเป็นปุ่มห้าปุ่มออกมาแล้งเนี้ย มันเป็นอย่างนี้มนุษย์ประหลาดแท้นิ่กรรมเหรอฮะวิจิตมากกรรมวิจิตเพราะอะไรวิจิตเนียฮะเพราะตันหาวิจิตนี่ตันหาวิจิตเพราะอะไรวิจิตนะสัญญาวิจิตสัญญาวิจิตเพราะเพราะจิตไงจิตวิจิตก็คือสัญญาวิจิตสัญญาวิจิตก็ตันหาวิจิตตันหาวิจิตก็การกระทาวายกายววจาวิจิตการกระทาทางกายววจาใจวิจิตวิบาก โอ้โหวิจิตเลยไหมดูมาดีวิบากวิจิตไหมเนี่ยจากน้าําใสๆแล้วก็เริ่มดําดําๆขึ้นมากลายเป็นชิ้นเนื้อจากชิ้นเนื้อก็กลมๆอย่างไข่แต่ไข่เบสเซ็ตก็ออกมาเป็นปุ่มห้าปุ่มแขนสองขาสองศรีษะหนึ่งเริ่มแล้วนี่เป็นยี้เป็นอย่างางี้นะถึงบอกว่านี่ไงชาติทุก์ตังขึ้นมาแล้วตั้งแต่กาละละนั่นแหละ ชาติที่ทุกตั้งขึ้นมาแล้วนี่พุทธพจน์เนอะบอกโอ้โหนี่เองชาติที่ทุกใช่ไหมตั้หาตั้นหาผลชิ้นส่วนมาให้ร่วมกับกรรมร่วมกับวิชาความไม่รู้พอเบ็ดเสร็จก็มาก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาเบษษ็ดเสร็จตามต่อมาก็ผมคนเล็บฟันหรือตากอะไรก็โผล่ขึ้นมาเลยทีนี้ยุ่งยากใหญ่คุดคูเหมือนลิงอยู่ในอยู่ในโพรงไม้เหมือนลิงอยู่ในโพรงไม้ใช่ไหมคุดคูหนีฝนอยู่่ะ นั่งคุดคู้อยู่นั่นแหละอยู่ในคันเนี่ะนั่งทักบกระเพาะอุจจาระเก่าข้างบนก็เป็นกระเพาะอาหารใหม่ข้างล่างก็กระเพาะอาหารเก่าที่จะนั่งทับอยู่นั่นแหละบนศรีรษะกระทูนด้วยอาหารบ น, นกระเพาะอาหารของแม่นั่นแหละคุดคุดคูอยู่งั้นแหละเก้าเดือนสิบเดือนฉะนั้นจะทรมานนะักนี่าชาติทุกทรมานไหมละ่ะทรมาน ทราเพราะอ้อาอก็ร้องนั่นแหละจริงๆเจ็บปวดก็ ร, ร้องร้องก็ไม่ออกเราดิน้นกึกกักกึกกักสาพัก็ว่ากันไปทางนี้อกว่ดีใจใหญ่ดิ้นแล้วดิ้นแล้วเข้าใจใช่ไหมใครเคยเห็นทุกข์ในขณะตั้งครรภ์บ้างยอมมาเวลาตั้งครรภ์ว่นนี้ทุกข์ไหม บอกว่านี้เป็นที่ตั้งของชาติทุกทุกเพราะความเกิดชราทุกเดี๋ยวก็มาแก่เดี๋ยวก็มาพยาที่ทุกเดี๋ยวก็มาเจ็บเดี๋ยวก็มรณภทุกเดี๋ยวก็ต้องมาตายเดี๋ยวก็เป็นที่ตั้งของความโศกความล่ําลายลําพันธุ์ไม่ใช่ตนเองนะเป็นที่ตั้งคนอื่นด้วยของคนที่เกี่ยวข้องด้วยอถ้าลูกเป็นไรไปโศกไมโยมลําใบลาพันธ์ใช่ไหมเดี๋ยวเขาทำบุญก่นเถิดลูกจะได้โดกสบายแล้วก็ว่ากันไปเลยใช่ไหมนี่ก็รักลูกนั่นแหละใช่ไหมใช่ นี่ก็เป็นเรื่องที่เนี่ยเขาวิจัยอย่างนี้ก็เห็นทุกเพราะเห็นทุกไงใจก็ น, น้อมอยังไงอ่ะน้อมไปที่เพราะเห็นในลักษณะอย่างนี้รัดคลายตัณหาได้ไหมอย่างนี้เป็นตทางคะแล้วก็น้อมไปที่นิสรณวิเวกเป็นอัธยาศัยเขาน้อมแบบนี้น้อมไปหาพระนิพพานเนี่ยที่จะได้ดับสิ่งเหล่านี้สักทีเลยเนี่ย อัธยาศัยเขาน้อมเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความทุกข์เห็นความไม่ชอบเห็นความทุกข์เห็นความน่าเบื่อหน่ายของสังขารก็จิตก็น้อมก็หาวิสังขารน้อมเขหาพนิพพานทุกครั้งก็จะน้อมอย่างนี้นี่ก็ตะทางทวิเวกเป็นอุปนิสัยญปัจจัยแก่นิสรณวิเวกมีนิสระนเวกเป็นอัชฉรยะก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้นี่คงพองมองเห็นนี่การจะหมดเวลา ก็เดี๋ยวก็สวดมนต์กันหน่อยอิติปิโสบาคาวาอรหังสามมาสามบุทโตวิชฌาจรณะสัม โนสุขโตโลกาวิดูอนุตตรโภพุริสาจสมาสาราธิสัตเทวมนุษสานังพุทธขวติสวัาโตภะคะวะตัตถโม สันทิทิโกอากาลิโกเอจิตัสสิโกะโอปะณียโกปัจจตังเวทิตาบเวโยหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกัสังโฆ โอชุปาติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆญาญาปาติปันโนภควะโตสาวกสังโฆสามีเจปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆ ยาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอาตถาปุริสปุปเอสาภคะวัโตสาวกสังโฆอาหูนาโยปาหูนาโยทับขินายโยอันชาริกาลานิโย อนุตตรังปุญญาเกตังโลกาสาติะต่อไปสักประมาณหนาทีนะเรานั่งสงบกันในการที่จะเจริญพุทธคุณเดือดธามาจะไล่ตามระลึกเนะเป็นเสียงในการที่จะนำให้ตามระลึกนั่งสงบถ้าหลับตาได้ก็หลับตานะถ้าหลับตาไม่ได้ก็ลืมตาเป็นปกติอาจจะเพ่งมอง พระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าวนะันใดทีนี้ในการตรึกหรือในการเจริญพุทธคุณเนี่ยนะที่ท่านบอกว่าให้มนานัิกานในใจว่าเสมอเหมือนหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านประทับอยู่บนศีรษะของข้าพเจ้าเมื่อเราตั้งสัตทินรีย์หรือตั้งศรัทธาไว้อย่างนั้นเบเสร็จแล้วนะก็ระลึกถึงคุณของท่านบทใดบทหนึ่งที่ท่านบอกว่าอาราหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นต้น เหมือนที่เคยกล่าวมาแล้วว่าอะรหังเนี่ยที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีนามว่าเป็นพระอะรหังเพราะเพราะผู้ไกลาจากกิเลสก็หมายความว่าราคะโทสะโมหะนั้นน่ยได้หมดสิ้นในขมลสันดานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท่นั้นพระองค์จึงได้นามว่าเป็นพระอะรหัน์เพราะว่าเป็นผู้ไกลาจากกิเลสใช่ไหมพร้อมทั้งวาสนา ถ้ามาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์จริงๆนะบริสุทธิ์จากกิเลสเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลแสนไกลาจากกิเลสแล้วก็มาพิจารณาอยู่ไหนอย่างไรว่าเป็นผู้ไกลแสนไกลาจากกิเลสจริงๆก็มาพิจารณาถึงเราทันทั้งหลายใช่ไหมราคะก็ยังกุมรุมจิตใจเราอยู่เนาะคือความยินดีความเพลิดเพลินเนี่ยโทสะคือความกโรามกรธก็ยังฝังแน่นในกำมลสันดานของเราอยู่ โมหะคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงก็มีอยู่ในเราท่านทั้งหลายแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีอยู่ในพระบรมศาสดาใช่ไหมพระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าไกลเป็นผู้ไกลนั้นคำว่าไกลเนี่ยนะท่านกล่าวไว้โดยการเทียบเคียงนะเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าดำรงอยู่ในที่ไกลแสนไกลดำรงอยู่ในที่ไกลโดยภาวะที่ไกลอย่างหาที่สุดไม่ได้เนาะ ทีนี้ภาวะที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นดำรงอยู่ในที่ไกลแสนไกลจากราคาโทสะโมห oh ะไม่ใช่โดยเฉพาะส่วนเพราะกิเลสเหล่านั้นพระองค์ทรงละได้แล้วโดยการโดยประการทั้งปวงนพระองค์ละได้โดยสมุดเฉธปหาคือตัดขาดด้วยอริยมรตอริยมรตของพระองค์นั้นตัดราคาโทสะโมห oh ะได้สะบัดขาดตะบ้านเลยแล้วราคาโทสะโมห oh านั้นไม่กลับมากำเริบอีก แล้วไม่ใช่แค่นั้นเนาะพระองค์นั้นยังสามารถละวาสนาคือความเคยชินที่ติดมาแน่นอย่างยาวนานได้อีกด้วยนั่นเป็นผลจากการที่พระองค์ได้บำเพ็ญบา ร, รมีมาครบบริบูรณ์แล้วก็ตัดกิเลสให้เป็นสมุเทเฉทะในกมลสันดานของท่านได้ทีนี้กิเลสต่างๆเหล่านี้ชื่อว่าเป็น่าศึกเนาะเป็นฆาศึกพะนำมาซึ่งความเสียหายนานาประการ เราท่านทั้งหลายที่ต้องมันเน็ดเหนื่อยเนาะต้องลำบากลำบนกันต่างๆเหล่านี้หรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอาบายสัตว์ทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายเห็นกันอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นน่ไม่สามารถละกิเลสได้อย่างพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราก็ตั้งวิธีคิดโดยการระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงห่างไกลจากกิเลส ห่างไกลจากกิเลสและยังไม่พอพระพุทธเจ้านั้นยังไกลแสนไกลจากกิเลสซึ่งเป็นข่าศึกนําแต่ความเสียหายมาให้ได้ด้วยมิยและพระองค์ก็ไม่มีความลับในการที่จะกระทําบาปและส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาพิจารณาแล้เห็นค่อนข้างจะชัดและได้ได้ไม่ค่อยยากก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นอยู่ห่างไกลจากบุคคลที่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตแล้วก็ไม่ได้อบรมปัญญา บุคคลที่ไม่ได้เห็นธรรมไม่ฉลาดในธรรมไม่ได้ฟังธรรมของพรทธิยเจ้าใช่ไหมปฏิบัติผิดไม่ปฏิบัติชอบพระองค์ทรงอยู่ไกลแสนไกลจากบุคคลเหล่านั้นเออเราต้าพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นไหมเห็นบอกอีเรามาพิจารณากายของเราอบรมด้วยจารีตศีลไหมแล้วก็วาลีตศีลเรามีไหมเป็นต้นถ้าจารีตศีลวาลีตศีลจารีตศีลก็คือศีลเกี่ยวในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติ เกี่ยวกับพ่อแม่ครูอุปชาอาจารย์เป็นต้นใช่ไหมวารีตศีลก็คือข้อห้ามมีปฏิโมกสังวรศีนในส่วนที่การจะห้ามไม่ให้บาปอกุศลธรรมต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนที่จะทําให้กายกรรมวิจิ ก, จกรรมของเราเกลื่อนกล่นกระจัดกระจายเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเราอบรมศีลเหล่านี้ด้วยอบรมกายอบรมศีลและจิตของเราก็อบรมอย่างดีด้วยสมาธิศิกขาปัญญาก็อบรมอย่างดีด้วยวิปัสนาปัญญาเป็นต้นพระพุทธเจ้าจะอยู่ใกล้ แต่ถ้ามาพิจารณาว่าออกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราไม่ได้ขัดเกลาเลยเนี่ยถือว่าเรานั้นอยู่ห่างไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ฉะนั้นถ้าเรายังอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าถึงแม้ตัวเราจะใกล้ชิดก็ยังชื่อว่าไกลเนาะแล้วก็ต้องมาขัดกเกลาร์ตั้งอัธยาศัยในการที่จะเป็นผู้อยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ได้เป็นต้นเราเนี่ยนั่นคือหลักการในการตั้งอัธยาศัยถ้าพิจารณาหรือนึกใคร่ควร พิจารณาอย่างนี้แล้วทาจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็เมื่อเป็นสมาธิได้สักเล็กน้อยก็ตามและวลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าฉะนั้นการเจริญพุทธา น, นุสติในใะหม่ๆยากไม่ยา ก, ยากแต่ว่าถ้าเจริญได้แล้วเนี่ยถ้าทำห้องหัวใจให้เต็มเปลี่ยมไปด้วยคุณของพระพุทธเจ้าได้เมื่อไหร่ตอนนั้นฮนะจะเกิดความปราโมทย์พิ ปัจติและความสุขสมาธิตั้งมันเนี่ยในขณะนั้นจะได้เป็นฐานของปัญญาในการที่จะไปวิจัยอะไรนะต่อไปเดี๋ยวจะได้อุทิศ ส, ส่วนกุศลกันอานมัวว่าพร้อมกันเลยก็ได้สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว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 อยู่ในกาเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถอส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลาย โปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ส, สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวจนถึงพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุ